เสียงหม <c> ่ <oughs> ก็อยากจะพูดนะที่เจริงหลวงพ่อไม่ได้สอนธรรมะก็ไม่เป็นไรมีอาจารย์สอนกันอยู่แต่ขออยากมีอยากมีส่วนร่วมกับท่านทั้งหลายแม่ว่าเสียงไม่มี แต่ยังอยากจะบอกความเท็จความจริงอยากได้ให้ขาดตกบกพรองในการที่มีชีวิตอยู่ว่ามันมีความเป็นจริงจริงๆต่มาไปได้เป็นเรื่องเป็นเรื่องตายในความจริงในความไม่จริงนแนวเราอยากถือว่าเป็นของเล่น เรามีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยเรากับเราทํากรรมบันไดไวายจะต้องได้รับผลแห่งกรรมนั้นเป็นกรรมดีก็าําเป็นกรรมทั่วก็ทํามาก็เป็นชนนั้นจริงๆเราหลงเราก็หลงผล ข, ของหลงมันก็เป็นความหลง จะเลืนขึ้นไม่ไปเรื่อยๆความหลงนั่นเป็นฝ่ายอกุศลเป็นมารดาของอกุศลความชั่วจึงไม่ควรประมาทถ้าเราไม่หลงแล้วก็ดะรับผลแห่งความไม่หลงเป็นกุศลเป็นมารดาของความดีเป็นที่แห่งเกิดของอของกุศล เมื่อกุศลเกิดขึ้ น, นกุศลอื่นที่ยังไม่เกิดก็เกิดขึ้นเรื่อยไปเจริญมากขึ้นจนเป็นมากเป็นผลตั้งต้นจากความรู้ความหลงน้อยๆแค่นี้แต่ไปไกล้ <c oughs> ต้นเป็นความหลงไปไกลถึงอบ่ า, บายเปรตสัตว์ลกติระฉานอสุรกาย ถ้าตั้งต้นจากความรู้สึกตัวไปกลไปเป็นมนุษย์ไปเป็นพบมโลกเทวโลกจนถึงมรรคถึงผลเป็นพระอรหันต์จากความรู้สึกตัวเนี่ยถ้าเราไม่เริ่มต้นตรงนี้ล้ว ก, ก็ไม่มีทางที่เป็นไปได้มันเป็นกรรมของตนเองจริงๆรี่ว่าชีวิตของเรามัน ทำกับันไนไว้ต้องเป็นผลอย่างความนั้นนั้นจิงจริงให้ประมาทเราจะรู้ได้อย่างไรไม่ใช่ไปหาคำตอบจากคอมพิวต์มามีสติลองดูซิจริงจะเห็นเหมือนน้ำนิ่งจริงใจเห็นปลาบ้อนแม้แต่ปลาตัวเล็กก็เห็น ถ้าน้ามไม่นิ่งปลาตัวใหญ่ก็มองไม่เห็นถ้าน้ามไม่เคลื่อนจิตใจของเราชีวิตของเราเนี่ยมันไม่ค่อยจะนิ่งไม่มีสิ่ง ท, ทำให้มันนิ่งได้เราจึงมีการฝึกให้เป็นส่วนประกอบให้น้า ม, มันนิ่งคือความรู้สึกตัวเนี่ยความรู้สึกตัวเนี่ ย, เ, ยเหมือนกับสร้างสีเวทล้อมให้กับชีวิตเราให้มันนิ่ง ถ้ารูเท่าไหร่รูเท่าไหร่รูมากก็ลิ่งมากเรียบป้าเรียบมา ก, เ, มากเห็นแม้กระทั่งความคิดเราไม่เคยเห็นความคิดของเราสักทีมีแต่เป็นไปกับประการต่างๆที่มันเกิดขึ้นกับปายกับใจแต่ถ้ามีสติมันจะเห็นมันจะเห็นจะทักท้วงเปลี่ยนเปลี่ยนเป็น ชี่เป็นนี่คืออ น, นี่นี่คือนี่นี่คือนี่ไม่มีใครไม่เปลี่ยนถ้ามีสติถ้ามันหลงเปลี่ยนเป็นตัวหลงไม่ประมาทแต่ตรงนี้ขยันถ้ามันทุกข์ก็เปลี่ยนไม่ทุกข์ถ้ามันโกรธก็เปลี่ยนไม่โกรธมันพอใจไม่พอใจเปลี่ยนเป็นปกติถ้ามีสติไม่ปล่อยที่ยง ชีวิตเรงบรรทดลองไม่ได้ไม่ใช่เรื่องทดลองไม่ใช่เครื่องวิทยาศาสตร์ทดลองความหลงก็เสียไปเลยเป็นหลงไปเลยเอาคืนไม่ได้ทดลองความโกรธก็เสียไปเลยเอาคืนไม่ได้มีอยู่ที่กายที่ใจเป็นตาแล้วทดลองความทุกข์ก็ทุกข์ไปเลยเอาคืนไม่ได้ไม่ใช่ทดลอง เหมือนเนี่ยมือถ้าทดลองตัดก็ขาดไปเลยเอาคืนมาได้ชีวิต ท, ที่เป็นรูปธรรมนามธรรมไม่ใช่เรื่องทดลองไม่ใช่วิทยาศาสตร์ไม่ใช่เครื่องมือที่ทดลองเราจึงต้องใช้ให้เป็นประโยชน์มันใช่ได้สาเร็จประโยชน์จริงๆรรูปธรรมนามธรรมนี้ให้เป็นมากเป็นผลได้ เปลี่ยนได้ในความหลงเปลี่ยนเป็นไม่หลงได้ร้อยเปซ็นต์มีสธิร้อยเปเซ็นต์ในความทุกข์เปลี่ยนไม่ทุกข์ได้มีสติร้อยเปเซ็ในเราเรามีสติจะกระตือรือร้นมากเป็นกอบเป็นกรนกรมขึ้นมามากนะมันจึงเป็นความจริงจริงจริง ความหลงไปจริงความไม่หลงจริงเห็นทันทีสัมผัสได้ทันทีไม่ดื้อไม่ได้านถ้าไม่มีสติดื้อนะในความหลงก็เฉย อ, อยู่น้ในความโกรธก็เฉย อ, อยู่ได้ในความทุกข์ก็เฉย อ, อยู่ได้ดีไม่ดีอวดกันสนุนสนมโดยซ้มไปแต่มีสติอุย้ยเอาไว้ไม่ได้เหมือนไฟตกใส่ขา เรียบปัดออกทันทีไม่หมัวไปถามใครทําให้ไฟมาตกถึกเราต้องหมัวถามคนอื่นถ้ามีสติแนละ้ว อ, อ๋อแต่ถามคนอื่นไฟก็ไม่ขาเจ็บปวดแล้วรวมทุกข์กุมือกันถ้ามีสติแป๊เดียวก็ก็ อ, ออกทันทีนั่นไม่ถูกต้องรวมไม่ทุกมันถูกต้อง มันไม่ประบาทตรงนี้แล้วไม่ต้องไปถามครไม่มีคำถามเรื่องเช่นนี้เป็นการสัมผัสเป็นปัจจิตังของผู้ที่ปฏิบัติเรียกว่ากรรมฐานศักดิ์สิทธิ์กรรมฐานศักดิ์สิทธิ์จะเป็นยังไงมนาะเป็นบาปเป็นกรรมอะไรมามาเอาต้นตูนมาเนี่ย มืนอน่าหนังสือวันนี้แค่กรรมเช่นกรรมเป็นเมียน้อยขอเขาก็มีกรรมเ <ś c oughs> กาอ่านอ่นวานั่งหัวโลกมันกันเป็นเมียน้อยเพราะเป็นกรรมก็จริงจริงแหละเป็นกรรมจริงไปชอบผัวเขาก็ต้องเป็นเมียน้อยเขาเป็นกรรมอย่างนั้นนะอะไรคือมันเป็นน่ะมันหลงไม่แค่ความหลงไปแค่กรรมวิธีรีตองไปโน่น ทำกระทงทำตวยสูดถอดทำบุญอะไรไปไม่แค่ที่ความหลงตัวเนี้ยก่อนที่มันจะทำชั่วมันหลงก่อนเหตุจริงๆความหลงถ้าเรามีสตินะจะมั่นใจเรื่องนี้มากเอาและชีวิตมีรูปนามท่านี้เราจะใช้มันให้มันถูกต้องงานในฐานะแบบไหนเปลี่ยนให้เป็นดีทั้งหมด เปลี่ยน้ายเป็นดีได้ทุกเรื่องที่เป็นกายใจของเราเอสติเนี่ยมันเป็นเครื่องมือวิทยาศาสตร์งานร้ายเป็นดีมาผิดเป็นถูกมาทุกข์เป็นไม่ทุกข์ที่ว่าสติปัฏฐานมันโตตอบทุกช่วงตองเท็จของจริงมีอยู่ นี่เรีก ว, ว่าปฏิปฏธรรมกรรมฐานไม่มีไม่เห็นอะไรดอกมีสติก็เห็นความหลงหรอคูงตรงกันพอดีเลยที่แรกก็เห็นหลงหลงไปทางไหนคือหลงทา ง, งมันหลงอันเดียวหลงไปทางตาคือหลงหลงไปทาง งูจมูรดิ้งกายใจคือหลงหลงไปทางกายทางใจคือหลงหลงไปทางความคิดก็คือหลงมีความหลงมีความหลงคืออะไรเปลี่ยนความหลงคือสัวรู้สึกตัวไม่ใช่คนละอยางมันจึงเป็นเรื่องที่ทำได้และง่ายไม่ต้องหาเหตุหาผลอะไรรู้สึกตัวรู้สึกตัวเนี่ย เป็นทางไปเลยจ b ไ, ไปได้เลยอย่าเอาเหตุเอาผลแล้วก็เพียงพอรูปแบบก็กรรมฐานรูปแขนเข้าเหยื่อแขนลกไม่ต้องไปใช้ความพิได้เอาแรงเอาเครื่องทุ่นแรงงาช่วย ถ้ามีเครื่องทุนแรงของยากเป็นของง่ายของหนักเป็นของเบาไม่ใช่หาคําตอบจากความคิดคําตอบจากความคิดไม่จริงคําตอบที่การจากการกระทํามันจริงสัมผัส ด, ดูอันถูกดีไหมหนูอันไม่อั น, อนผิดดีไหมหนูไม่ใช่ไปคิดแต่ผิดถูกสัมผัส ด, ดู จบทุกสัมผัสดูนี่เรียกว่ากรรมฐมานบางทีเราหาเหตุผลจากการทำชั่วจนได้เหตุได้ผลตัดิใจฆ่าตัวตายตัดิใจทำลายคนอื่นจีบหายวายวอดนั่นคือคำปกเหตุผลไม่ใช่สัจธรรมสัจธรรมไม่ใช่ ไม่ใช่แบบนั้นเป็นการสัมผัสรวมหลงกิ้งไหมรวมไม่หลงกิงรไหมสัมผัสรวมทุกเกียงไหมรวมไม่ทุกเกิยงไหมรวมง่วงกิงรไหมรวมไม่ม่วงเกียรไหมหัดตนสอนตนอย่างนี้ลักษณะที่มันเกิดขึ้นมันไม่ใช่อยู่อริบทในอริบ ท, ที่เรา ประกอบความเพียรก็มีเจ็บตกให้ได้ไม่ใช่จะมาจริงแต่เวลาอยู่ในช้างเดินจังกรมมาเอาจริงอยู่ในขณะที่ยกมือเคลื่อนไวหวควรที่จริงในเวลาอื่นให้มันเฉ่งเวลาอื่นโนกรูปแบบเก็บตกดีๆนะเก็บตกเคยได้ประโยชน์ภาคเก็บตกไปบินทําบาท เก็บตกจากเพื่อนเพื่อนหลงเราไม่ได้สร้างจังหวะเราก็เดินมิถะบัตจริงที่เพื่อนพูด อ, อมาเกิดจากความหลงเรารู้จักแล้วก็เพียงแต่คิดในใจว่าเออเพื่อนเราหลงแล้วเรื่องอย่างนี้เราไม่หลงแน่นอนแต่เพื่อนเราหลงเราได้ได้ประโยชน์เก็บตกไา้ ชอบผ่านจากตัวเองได้ได้ดีกว่ากันมาสัมผัสเวลาเรามีกรรมฐานเราสู้กับความหลงความสุขความทุกข์บางทีไม่ได้สู้ถ้าเก็บตกไม่ได้สู้นะฉลาดไปเลยได้ความฉลาดไปเลยเปลี่ยนแปลงไปเลยเพิ่ม <c oughs> <c oughs> คุณภาพไปกับชีวิตไปเลย เพื่อนหลงเราไม่หลงบางทีเพื่อนโกรธเลยเดินขึ้นเขาเพื่อนน่ยเหนื่อยบ่นให้เราไม่รู้พามาทําไมทางอื่นก็น่าจะง่ายกว่านี้ถ้าไม่รู้ก็ถามทางคนอื่นเขาแล้วก็เพื่อนเราก็ลังหลงหลงกับอะไรหลงกับความเหนื่อยเราเราไม่หลงล้วก็คู่เรามา โ อ, อธรรมดาแล้วเดินมันก็เหนื่อยธรรมดาเนาะเอาความเหนื่อยเป็นอาการของกายของรูปใจใจไม่เป็นไรล้วก็ไปไม่赖เดินสบา้เหนื่อยเคลื่อนองแข็งคล่องขาล้มรู้คุ่การไปไม่เป็นไรร่วเหนื่อยไม่เป็นไรใจไม่เป็นไรชวนกันให้เขาได้รู้ไม่เป็นไรไม่เป็นไร อาการธรรมชาติของกายเฉยๆไม่ใช่ทั่วใช่ตนเป็นเช่นนั้นเองเพื่อนเราก็หยุดบนอาจจะมีสติขึ้นมาหลายปีมาเพื่อนมาพูดเรื่องนี้ฟังเหลวงพ่อพูดว่าเป็นอาการของกายของใจมาก็ได้สิบปีห้าปีจึงได้ยินก็พูดนันมาปฏิบัติพ่านสัมผัสแล้วก็เข้าใจกันได้ แต่ถ้าเราทำอะไรเป็นไปเลยเนี่ยไม่รู้จ้ำความเป็นจริงไม่เก็บตกไม่เก็บตกเสียก็เสียไปเลยผิดก็ผิดไปเลยทุ ก, ก็ทุกไปเลยถ้าเก็บตกผิดกลายเป็นเรื่องถูกอืมซึ่งจะทุกกลายเป็นเรื่องสุดถูกต้องอืมเห็นมันทุก นี่แหละทุกข์เป็นอย่างนี้ถ้ามันเกิดขึ้นมาเป็นอาการถ้ามันเกิดขึ้นมาเป็ น, ป, น, ป, นปุงแต่งขึ้นมาเห็นไม่ใช่อาการอาการมันใช่วันมันก็แสดงยิ่งนั่งนานๆปวดเมื่อยบางทีไม่ต้องนั่งนานมันก็เป็นทุกพวกอการอาการของกายของใจมีเหมือนกันทุกข์ขัง หายใจอยู่นี่<ม>ก็เป็นทุกข์หายใจ ก, ก็หายใจออกคื้นน้ำลายก็เป็นทุกข์พริบตาก็เป็นทุกข์มันอยู่นิ่งไม่ได้เนอรูปเนี่ยเป็นทุกข์ขังอันนี้จังรัตตาทุกข์ขังแก้ไม่ได้เพียงแต่กำหนดรู้ค่อยๆไปอย่างนี้เอามาเป็นเครื่องกำหนดรู้ไม่เอามาเป็นทุกข์กำหนดรู้แล้ว ถังารที่มันทานเรารู้อย่างนี้ถึงขาวที่มันหายใจไม่ได้มันก็ก้าวหน้าจากเล็กๆน้อยมันก้าวหน้าได้มันเริ่มต้นมาเหมือนกล้วยที่ถูกบ่มหนึ่งวันมันก็มีประโยชน์ต่อหนึ่งวันแม้ยังไม่เปลี่ยนสีเขียวเป็นสีเหลือง รถฝ่านเป็นรดหวานแต่มันก็ทำหน้าที่ของมันอยู่ชั่วโมงหนึ่งก็มีค่าสองชั่วโมงก็มีค่าจนถึงมันก็เปลี่ยนเป็นสีเหลืองเป็นรดหวานแล้วก็กรมสมบูรณ์มันทำมานานไม่ใช่ทันอกทันใจบางอย่างทำให้มันเป็น กล้วยสีเขียวมีกรรมวิธีบ่มให้มันเป็นสีเหลืองกล้วยรถฝาดบ่มให้ตามกรรมวิธีเป็นรสหวานกรรมตัวนี้สำคัญเรามามีสติเนี่ยมันกับมักับดิบดิบมเมาให้มันมีอะไรมันเกิดขึ้นดูซิยิ่งหลงอะยิ่งมีปัญหายิ่งอะไรยิ่งดี ยิ่งมีรสชาติเหมือนคนเผาถ่านง่ายที่มีน้ำย่างมากยิ่ ง, งแก่กล้าเวลาเราเป็นฐานไปนุ่งไปใช่ยิ่งถานไปยิ่งแก่ยิ่งกล้าเอาไปสุบเหล็กเห ล, ล็กก็ฆ่าทันืี มันเรงเงมันสูงเช่นไม่พันธุ์ชาติจางวันมากไม่มะค่าแต้มันเขายางมันยากเมื่อเอาไปแช่คุณภาพสูงสุดกรวมทุกมีคุณภาพสูงสุดรวมโกรธมีคุณภาพสูงสุดรวม ปัญหาต่างๆมีปัญญาสูงสุดยาท่อติงเอาคืนให้ได้ปฏิบัติธรรมไม่มีสิ่งใดที่ชัดเจนแม่นยําเท่ากับการปฏิบัติทําได้กับมือตัวเราปีกมือขึ้นก็ลู่ได้ความลู่มันถูกต้องที่สุดถ้ามีความลู่ถูกต้องไปตัวเราเมื่อเราหลงกลับมาลู่ได้ง่ายๆ ถ้ไม่เคยมีความรู้ไม่รู้ไม่รู้จักกระเสสักหน่อยเราก็ไม่รู้จักไม่เคยมีความรู้สติก็เป็นไปเลยหลงก็เป็นหลงสุขก็เป็นสุขทุกข์ก็เป็นทุกข์ไปเลยถ้ามีความรู้เป็นกระแสไว้ต่อรองไว้เป็นโจทย์ไวเป็นพิพากษาไว้เหมือนพระจิตตระท่าเห็นเกิดก็ต้องมีไม่เกิดมองเป็นกระแสไว้ เห็นเจ็บก็ต้องมีความไม่เจ็บเป็นตายก็ต้องมีความไม่ตายแม่ไม่ทำอะไรไม่ได้ก็ต้องมองกระเสไปแบบนล้แม่เราไม่ทำอะไรก็มองไม่แบบนี้ก็ยังได้ในความหลงมันต้องมีความไม่หลงเพียนลองดูประกอบลองดูกลัวมไม่หลงเกิดจักระไรเยอะแยะ เอามาประกอบในร่างกายเราเนี่ยเีกว่าสติปัฏฐานเอากายเอาใจบางใช้เป็นเครื่องมืออุปกรณ์พิสพิความรู้จักตัวขึ้นมาได้ได้ทั้งหมดพิภตากรู้ได้หายใจก็รู้ได้กินน้ำบายก็รู้ได้ยิ่งมาเคลื่อนไหวก็รู้ได้ออกมาสักหน่อย เรียกว่าวิขำปัญญาวิมุตตออกบางไม่ได้ไปชนไม่ได้ไปลุกกับสิ่งที่เราจะต้องทําให้เก็บปวดออกมาใช่ไหมเมื่อก็ออกฉากเบ้นวักมันได้จังหวะมันได้เลยเมื่อกลับฝันขวานฟันจอ่อจังหวะไม่เป็นแรงก็ไม่มีการออกฉาก มากำหนดรูนี่ที่กรรมฐานตามริฉากรรมฐานเมื่อรูนี่แล้วไปเห็นตัวนัานก็ง่ายขึ้นเบาเบาลงน้ำหนักร้อยกิโลถ้าดูเราก็เบาเห็นอย่างรง้ยต้องลดถึงห้าสิบกิโลเห็นไม่เป็ น, ปนแต่ก่อนมันเป็นเป็นนี่ร้อยกิโลเห็นนี่ห้าสิบกิโลจําผัดดูชื่อ ม่มนโกรธเป็นผู้โกรธร0อยเปนบางทีก็ร้องโหมร้องห้อยหน้าโบดหน้าเบิง่งโยวยวายถ้าเห็นมนโกรธไม่มีเสียงโกรธเพราะมันเบาเ 50% ห้าสิบเซไม่ร้องเราจะมีจังหวะวิชาการ ในภาคปฏิบัติเป็นทั้งวิชาการเป็นท้งปฏิบัติการในคราวเดียวกันวิชากรรมฐานนั้นก็มีสูตรแบบนี้ม า, เ, า, เ, าเป็นตำราศึกษามันจะบอกความเทศความจริงในความหลงมันก็มีความไม่หลงใน ปัญหาก็ามีปัญญาอยู่ในตัวมันจับจ็ตในโจ์มันก็มีจำเลยในจำเลยมันก็มีภาคสามไม่ใช่จะตกเป็นจำเลยตลอดชีวิตเป็นาธาตุของโจดตกเป็นจำเลยของโจท์ตลอดเวลา ความหลงเป็นโจรความหลงเกิดขึ้นถ้าเราเป็นผู้หลงเป็นจําเบยของโจรความทุกข์เป็นโจราทุกข์เกิดขึ้นเราเป็นผู้ทุกข์ก็เป็นจําเบยของความทุกข์พิพากษาคือมีสติไม่ยอมมาดูสักหน่อยความทุกข์ความไม่ทุกข์มีไหมอย่าไปจนตรงนี้ มีช่องทางมีกระเสอยังไม่ได้นะครับตอบจากความคิดวางอย่างมาปาลบความเพียรมากระทำกรรมฐานก่อนอย่าเพิ่งไปตกวัวมามีสติไปมีสติไปแล้วก็หายเปลีงไม่ต้องไปถามค่ะการกระทำเป็นสิ่งที่ตอบไปให้ ปัญหาต่างๆถ้ามันเกิดขึ้นบางทีมันต้องถามไม่รู้จะถามอะไรไม่รู้จะไปถามที่ไหนหลวงพ่อเทียนก็ไม่ได้อยู่ด้วยเราก็อยู่พวกวัดพวกวอไปไหนก็ไปไม่ได้เราบวชใหม่เวลาปฏิบัติไปมีปัญหาก็ไม่ต้องถามถามความเพียรไปก่อนบางทีมันเฉลยได้สิ่งที่คิดจะถามไม่ต้องถาม เกิดความฉลาดได้คำตอบอย่างถูกต้องแม่นยาชัดเจนจากนี้ก็มีเหมือนกับหลังมาจากสารวันหนึ่งเขาตั้งใจจะมาถามเยอะๆทุกคำถามมาจากสารนัดหน่นยม้่เราเคยไปสอนทําที่นั่น มืามาถึงเราก็พูดกันไม่กี่คำล้วก็พูดไปพูดไปพูดไปแล้วก็ลองกาโอ้คิดว่าจะมาถามตั้งเยอะๆเลยหลงพอพูดเราก็ไม่รู้จะถามอะไรบางทีมันเฉลยไปได้เว่าจะมาถามก็เลยไม่มีคำถามแล้วกันคำตอบความคิดจะมาถาม กับที่มันพบเห็นหมาถามเนี่ยมันต่างกันนะคิดเห็ น, นพบเห็น น, นั้นไปสอนธรรมที่ไต้หวันเพื่อนได้ฟังหลายทีแล้วลเอาทดลองเรานะเดินขึ้นเขาเสูงนขนตก เขาก็กลางลมให้แต่เราหิวห้วกระเป๋าก็ไม่หิ้วกระเป๋าให้เราเลยงานรับอะไรไม่เห็นช่วยเราเลย <laughs> แต่กลางลมให้เราก็หิ้วกระเป๋าขึ้นเขาสงูงเหงอไหลขย้อยพอยไปถึงที่พักรถจอดอยู่บนเนอะอยู่บนหลังเขาเป็นยี่สิบสามสิบกัน เอ๊ะมันทำไมไม่ให้เราขึ้นรถมาทำไมให้เราเดินขึ้นมาบราก็คิดเล่นๆ เ, เลยจะสนุกดีก็ขึ้นไปถึงศาลาแบบนี้แหละแล้วก็บวกมือให้ไปตั้งเก้าอีไ้ไว้นวนๆๆแห้เราไปนั่งเก้าอี้เงือหลอเต็มเลยเอาผ้ามาเช็ดจนเปียกอนต้องผืนตั้งกล้อง วิดีโอไว้สามกล้องให้เราพูดลอยทั้งเซ็ดเหนือทั้งคูดแล้วก็เป็นหนุ่มเนาะมันก็ทำได้ไม่ใช่แจ ก, กมันทุกวันเลยแต่ก่อนเสียงดีกว่านี้นะเ <c> ด <oughs> ี๋ยวนี้มันไม่มีเสียงพ <c oughs> อเทจบ <c oughs> มีพิธีกรขเขา <c oughs> ปัญหาที่หนึ่ง ขี่ไปกล้องทางนี้ถามมือที่หนึ่งกล้องตรงนี้เราตั้งคำถามเลอพูดว่าหลวงพ่อพูดไปหมดแล้วไม่รู้จะถามอะไรอันที่สองถามหลวงพ่อพูดไปหมดแล้วไม่มีคำถามสามปัญหาสามจุดวีดีโอไม่มีคำถามเลย บางอย่างเป็นเช่นนั้นนะถ้าเรามีเครื่องรับมีเครื่องส่งมันสัมผัสกันน่าเช่นนั้นนะ่ะอย่างการบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์สมัยข้าพุทธเจ้านะฟังธรรมเนี่ยไม่มีเครื่องรับบวมหลงเราเคยหลงความรู้เราเคยรู้พระเจ้าเทศไปเทศไป เช่นโกนธั ญ, ญาภาพามพระเจ้าเทศธรรมจักรวัดนสรจบเป็นพระหรันตติไม่มีเครื่องรับว่าเราถ้าเรามีเครื่องรับนะเห็นหลวงพ่อพูดเรื่องสติเราก็สร้างสติสิ่งที่เราทำเป็นสิงที่เราได้ยินสิ่งที่เราได้ยินเป็นสิงีเราได้ทำแล้วก็พูดอยู่ตรงนี้เรื่องเดียวกันนี่ย เรื่องกาเรื่องใจเรื่องรูปเรื่องนามใครก็มีรูปมีนามมีหลงใครก็มีหลงมีรู้ใครก็มีรู้มีทุกข์ใครก็มีทุกข์มีไม่ทุกข์ใครก็มีไม่ทุกข์มีความโกรธใครก็มีความโกรธใครก็มีความไม่โกรธเหมือนกันหมดทําไงจะรับไม่ได้แต่พูดถึงทุกข์ทุกข์แบบไหน ถ้าพูดถึงโกรธโกรธแบบไหนก็ยคือโรกรธเราจะมีเครื่องรับแบบนี้อย่างหลางพ่อพูดว่ า, วามันหลงเป็นผู้หลงหรือเห็นมันหลงเคยทำไห ม, ไมเห็นมันหลงถ้าทำบ้างแล้ว<ม>เห็นมันหลงมันก็จเจริญขึ้นไม่เป็นผู้หล ง, ลงเห็นมันหลง คุ้นกัความหลงง่ายๆได้ ย, ยินหรือได้ยินเราทํามาแล้วมันหลงอย่างถามนักปฏิบัติมันคิดไหมคิดมัาทางใจมีไห ม, มคิดคิดไปถึงบ้านมีบ้างไหมมีมถ้ามันคิดไปทําไมกลับมาเออกลัำมาได้ไหมกบมาได้ แล้วมันจึงกลับมาได้กลับมาสร้างลูกึกตัวหนึ่ะเขาก็ทำหน่อยนี้เวลามันคิดไปกลับมากลับครั้งที่หนึ่งกลับครั้งที่สองกลับครั้งที่สามจำนานมากขึ้นง่ายมากขึ้นที่แรก็ต้องสู้กันไม่อยากคิดมันก็คิดไม่อยากคิดมันก็คิดเอายากเอาง่ายมันยากมันง่ายถ้าทําไปทําไปไม่ใช่ยากไม่ใช่ง่ายมันคิดลูกกลับมาไม่มีคําว่ายากไม่มีคําว่าง่าย ไม่มีคำว่าผิดไม่มีคำว่าถูกมันก็เหนือผิดเหนือถูกถ้าันไปแล้วทำใหม่ใหม่มีผิดไม่อยากให้ผิดมันก็ผิดไม่อยากให้มันคิดมันก็คิดอยากให้มันสงบมันก็พุ่งซ้านไม่อยากให้มันพุ่งซ้านอยากให้มันสงบมันก็เป็นเรื่องนี้เป็นอัถฐจิถหายโยกยากถ้าดูไปเห็นเหมือนสงบเห็นเหมนพุ่งซ้าน ตัวเห็นมันจะอยู่เป็นกลางๆเห็นเมื่อเห็นแล้วไม่เป็นนิดเดียวถ้าเป็นเรายากนะอยู่คนเราฝังน้องหาตัวนะมันมาให้เห็นมันหลงเห็นมันหลงเห็นมันหลงอาจจะหน้าตาสดชื่นกว่าปกติอยู่ขณะที่รู้สึกตัวนี่ผมหลงปั๊บเห็นหลงอ่ะยิ้มพลยในใจตื๊ดๆเห็น ถ้าเป็นผู้หลงบูดนะหน้าบูดบูดไม่ชอบผิดแล้วผิดแล้วไม่อยากให้มันหลงก็หลงไปไกลอีกแล้ว่างเบากว่ากันนะเห็นไม่เป็นยิ่งเบาเลยสุดยอดเลยได้วางอย่างนี้ไม่เป็นได้วางอย่างนี้หัวใจเป็นวินเป็นชีวิตทีหว่าใจถ้าได้วาง ถ้าได้เอาอย่างนี้ไม่มีชีวิตชีวาเลยนะถ้าไม่เป็นไรวางเราะข้างหัวมันได้วางในเป็นความชอบที่สุดถ้าไม่รู้จกวางไหนยังเป็นทิฏฐิแบบใดแบบหนึ่งต้อง ควรกระเฉาให้พอสมควรเอาพลังงานเข้าไปพอสมควรถ้ามันยังไม่เป็นไปแต่งที่เราเน้เอากรมฐานไปก่อนสนใจเรื่องนี้ไปก่อนมาลู่เรื่องนี้มาลู้เรื่องนี้ไปก่อนถ้ายังไม่เจ่งเหมือนกับ น, นิมิตพี่อาศัยเช่นเราเดินไต่สะพานเนี่ยแล้วเจ๋งเราไม่ต้องจับเราถ้าไม่เจ่งก็จับเรา น้องตาเดินแต่จะพันตาลายเป็นเวียนมีเวียนเบียดนะกระดานมันไม่โตกันคนเจะจะมองทีงอื่นไม่ได้ต้องมองอันนี้มันเกี่ยวกับป่วยไปทำงานขนาดไหนก็ต้องอยู่อย่นี้ตาบรรลายตาตาลายแต่ก็เป็นเวียนนะ น, นี่เป็นธรรมชาติไม่ใช่เป็นการปรุงแต่งเป็นธรรมชาติเป็นาการที่มันเกิดขึ้นเพื่รู้จักฐานะของตัวเองอันคขมโกรธไม่ใช่ฐานะนะขมทุกข์ไม่ใช่ฐานะนะเป็นสิ่งที่ปรุงแต่ ง, ป ง, ตงเป็นสิ่งที่พิษยอย่างร้ายแรงอันคขมไม่โกรธไม่อยู่ทําไมไม่ ทำไมไม่คลองไหวทำไมจะให้ความโกรธมาคลองจังแล้วไปประมาทอยู่ที่ใดทำไมไม่รีบแก้ไขถ้ามีสติได้ผ่านพองควรเราจะกระตือรือร้นนะไม่มีอะไรที่จะต้องชอบไปด้วยเปลี่ยนโกรธไปไม่โกรธเปลี่ยนทุกข์ไปไม่ทุกข์เปลี่ยนหลงไปไม่หลงเปลี่ยน ล้อยเป็นดีไม่มีงานชิ้นใดที่ชอบเท่ากับเรื่องอย่างนี้หรือว่าอยู่โดยชอบพิสูทุทตั้งหลายเมื่อพวกเชออยู่โดยชอบลูกจะไม่ว่างจากพระลหันกคยอยู่อย่างนี้ไม่ใช่อยู่ที่ไหนอยู่โดยชอบก็อยู่นี่โดยจากกรมเทศจความจริงที่มันเกิดอยู่กับเรา จริงมีเท่าไม่จริงมีเท่าไหร่เปลี่ยนเป็นจริงทั้งหมดผิดมีเท่าไหร่เปลี่ยนเป็นไม่ผิดทั้งหมดนี่บ่าอยู่โรยชอบการเปลี่ยนล้ายเป็นดีไม่ใช่ใชเหงื่ อ, อไหลใครย่อยอาจจะนั่งๆั่งนอนนอ น, น, อ, นอยู่ก็ได้นอโดูก็ได้นอนหลับแล้วตื่นขึ้นมาอาจจะหาเรื่องมาคิดลองดูซิถ้าทายมาลองดู ย้อนมันลองดูแล้วก็สอนมันลองดูมันทําได้ชำ น, น้ชำ น, นาญมากขึ้นอย่าละมัดระวะังอย่าถนอมจนเกินไปถ้าไม่ใช่มาจริ้งอ่อนเอกลัวไม่ได้เช่นออกกําลังความเหนื่อยความเหนื่อยเป็นแรกเอาความไม่เป็นแรกออกกาลังได้ ต้งตู้จากประมาณพอดีพอ ด, อดีถ้ากลัวความเหมือหม่อยเมื่อยล่ามันก็ต้องมีกำลังอ่อนแอไปก็ได้กล้าเปลี่ยนความชั่วเป็นความข้าเปลี่ยนความผิดเป็นความถูกมันทำให้เรามีพลักนะถ้าไม่กล้าเปลี่ยนถนอมไว้อ่อนแอไปเลยเป็นกรารมุจกานในกายโย ด, ดีไม่ดีลยเป็นปรมะปทัพปรม ะ, ะ, มะเหมือนบัวใต้น้ำบัวใต้ดินไปเลยทั้งชีวิตเลยอยากจะให้เราก็ตื่นรุ่นเรื่องกรรมฐานนี่สักหน่อยมันศักดิ์สิทธิ์ที่ตั้งแห่งการกระทํามีกายมีใจมีสติตั้งไว้ที่กายเอากายเอาใจเป็นนําลามีสติดูแลมันอยู่เนี่ยมันจะไปไหน ผมมีส่วนร่วมกับท่านทั้งหลายนอนคืนนี้อาจจะไม่ตื่นฉันได้พูดอย่างนี้บ้างเนาะสมควรเจ้เวลากรบพระรมกับ